มีพฤติกรรมอย่างหนึ่งนะที่เราเรียกว่าเอาคืนปกติเอาคืนเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่าถูกกระทําหลายคนนะก็คงมีพฤติกรรมแบบนี้นะไม่มากก็ น, น้อยเช่นเวลาถูกคนอื่นแกล้งก็เอาคืนนะแกล้งเขากลับคืนหรือเวลาถูกต่อว่า ดาทอก็เอาคืนด้วยการด่ากลับสุนินทาก็เอาคืนด้วยการนินทากลับนะเดี๋ยวนี้มันมีเอาคืนแบบใหม่นะก็มีหลายแบบด้วยแล้วก็มีหลายวิธีด้วยอย่างเช่นเนี่ยการท่องเที่ยวนะแบบเอาคืนนะภาษาฝรั่งก็ใช้คำว่า r e v e n g e นะ r e v ว n g e ใช่ไหมว่าแก้แค้ น, นดูดุแรงนะแต่ถ้าใช้คำว่าเอาคืนเนี่ยจะเบาลงหน่อยเราเคยได้ยินคำว่า Ecotourism การท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะแต่ทีนี้มันมีคำว่า Revenge Tourism การท่องเที่ยวเพื่อเอาคืนหรือแบบเอาคืนหมายความว่าไงหมายความว่าเนี่ยช่วงที่ เกิดโควิดแพร่ระบาดมีการล็อกดาวน์ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวที่ไหนเลยเป็นเวลาสองสามปีโดยเพราะต่างประเทศพอโควิดซาลงแล้วเนี่ยคนมากมายนะก็เอาคืนนะด้วยการท่องเที่ยวแบบบางทีเออเที่ยวไม่หุดไม่ย่อนเลยโดยเฉพาะเที่ยวต่างประเทศนะ อันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบเอาคืนนะชดเชยที่ไม่ได้เที่ยวเลยมาสามปีบางคนเที่ยวนี่จนเรียกว่าไม่มีเงินเหลือเลยนะและ้วแต่นี้มันมีการเอาคืนอีกแบบหนึ่งนะซึ่งอาจจะเป็นปัญหายิ่งกว่าการท่องเที่ยวแบบเอาคืนนะก็คือคน๋ย่นี้จําเงืนไม่น้อยเลยนะ จะไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนหรือนอนน้อยมากเพื่อเอาเวลาที่ควรจะนอนเนี่ยมาใช้ในการดูหนังนะฟังเพลงนี่แต่ก่อนนะแ ต, แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็ใช้เวลาช่วงนอนนี่แหละแทนที่จะนอนก็มาไถามือถือนะเล่นแอปต่างๆ รวมทั้งดูหนังเช่น Netflix ด้วยเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงเลยเพราะอะไรนะเพราะต้องการเอาคืนที่ช่วงเวลากลางวันเนี่ยถูกคนอื่นแย่งไปถูกเจ้านายแย่งเวลาไปไม่ใช่แค่เวลาเก้าโมงเช้าถึง4ี่ห้าโมงเย็นบางทีคำคำก็เจ้านายก็มาเรียกใช้งาน บางทีก็เพื่อนบางทีคนในครอบครัวเนี่เขารู้สึกว่าเขาถูกแย่งเวลาไปเขาก็เลยเอาคืนนะแต่ไม่ได้เอาคืนด้วยการไปแย่งเวลาของคนอื่นแต่เอาคืนจากเวลานอนนะอะไรที่อยากจะทำแล้วไม่ได้ทําเพราะถูกแย่งเวลาไปก็มาทํากันตอนกลางคืนนี่แหละคือเวลานอนซึ่งก็ทําให้นอนน้อยบางทีนอนไม่หลับ เพราะว่าเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วแสงสว่างเนี่ยมันมันทำให้สมองเนี่ยไม่ยอมหลับง่ายๆหลับยากหลับน้อยภูมิต้านทานก็ต่ำภูมิคุ้มกันร่างกายก็ไม่ค่อยดีอารมณ์ก็แปรปรวนเกิดปัญหาขึ้นม่ทำงานก็ง่วงนอนอันนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นมากนะก็เรียกอาการชนิดนี้ว่า RBP Revenge bedtime procrastination แปลเป็นไทยง่ายๆว่าผัดผ่อนเวลานอนเพื่อเอาคืนที่ถูกแย่งเวลาไปหรือเพื่อเอาคืนที่ถูกลิฟเวลาส่วนตัวไปนี่ก็เป็นอาการเอาคืนแบบหนึ่งนะแต่ไม่ได้เอาคืนจากใครนะเอาคืนจากเวลาที่ควรจะหลับเวลาที่ควรจะนอนเวลาที่ควรจะผัดผ่อนเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอาการชนิดหนึ่งนะ ที่เขาถือว่าระบาดกันทั่วโลกจริงเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยมีวิธีการเอาคืนเนี่ยที่หลากหลายถึงแม้จะไม่ใช่เอาคืนด้วยการท่องเที่ยวแบบไม่หยุดไม่หย่อนหรือว่าเอาคืนแบบไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนอย่างบางคนเนี่ยช่วงขา้าพรรษาเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะไม่กินเหล้านะงดเหล้าเขา้าพรนศา แล้วก็ทําได้นะแต่ทําด้วยความกล้ากลืนฝืนทนมากในใจนี่ก็นึกถึงเหล้าตลอดเวลา พ, พ่อพรรษาเนี่ยเอาคืนเลยนะกินเล่าแบบเอาคืนเลยกินจนเมาหัวราน้ําตั้งแต่วันออกพรรษาหรือทีเดียวนะกินจนไม่เป็นผู้เป็นคนเลยอันนี้ก็เป็นเงินเยอะนะกินเล่าแบบเอาคืนหรือบางคนตั้งใจว่าในพรรษาเนี่ยจะไม่ เล่นการพนันจะไม่แตะเลยนะการพนันออนไลน์แล้วก็ทําได้นะแต่ว่าทําแบบกั้มกึ่งฝืนทนมากในใจนี่ก็นึกถึงแต่ว่าเนี่ยเมื่อไหร่เจะออกภาษาสักทีออกภาษาเสร็จนะโอ้ยเล่นการพนันแบบเอาคืนเลยนะหมดเนื้อหมดตัวนี่หนักกว่าเดิมหลายคนกินเหล้าแบบเอาคืนนจนกระทั่ง กลายเป็นคาตรกรหรือถูกเข้าฆ่าเองก็มีนะเพราะว่าไปอารวากับคนอื่นแล้วเขาทนไม่ไหวเขาก็เลยตอบโต้บังเอิญเจอหนักไปหน่อยก็เลยตายตายหนออกบรรษาเลยเนี่ ย, ออ เ, ยเพราะว่าการกินรล้แบบเอาคืนหลายคนนะตั้งใจว่าเนี่ยในพรรษาเนี่ยจะคุมอาหารจะกินน้ำตาลให้น้อยลงเพราะว่าแคลอรี่เยอะนะ ขายมันสูง ท, ทําท่าจะเป็นเบาหวานเพราะนั้นเนี่ยน้ำอัดลมก็ดีไอติมก็ดีช็อกโกแลตก็ดีของหวานขนมที่อร่อยๆนี่ก็ตั้งใจงดแล้วงดได้เลยนะแต่พอออกพรรษาก็กินแบบเอาคืนเลย กินแบบไม่บรญย บ, บัญยังอันนี้รวมคนที่ตั้งใจจ ะ, ะคุมน้ำหนักด้วยนะไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือช่วงเวลาใดก็ตามเพอพ้นเวลาที่ว่านี่ก็เอาคืนนะกินแบบเอาคืนเลยน้ำหนักที่ลดไป45่หากิโลนี่มันพุ่ดขึ้นมานะเป็น10กิโลก็มีมีเยอะนะไอการเอาคืนเนี่ยด้วยการบริภกหนักกว่าเดิมนี่ อันนี้ไม่นานก็ช่วงเทศกาลกินเจนะบางคนนี่ก็รู้นะว่าติดนะพวกเนื้อสัตว์มากนะแต่ว่าอยากจะทําบุญฝึกตนนะช่วงกินเจงดกินเจเลยนะงดกินเนื้อสัตว์นะแต่หอยหามากนะระหว่างที่งดเนี่ยพอพ้อนเทศกาลกินเจนี่กินเนื้อแบบเอาคืนเลยนะ ก็เลยไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่นะจากการคุมอาหารอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังมากเลเวลาเราทำอะไรแม้จะทำสิ่งที่ดีเนี่ยนะแต่ว่าถ้าหากทำด้วยความรู้สึกกํากืนฝืนทนสุดท้ายมันจะเวียงกลับนะจริงถ้าดูให้ดีนะไอ้ที่เอาคืนเนี่ยมันไม่ใช่อะไรหรอกกินเล็มันเอาคืนนะกินเล็ที่ อ, อยากกินของอร่อยเรือ่องที่ผีพ น, นันผีสุราเนี่ยมันเอาคืนไปฝืนไปต้านกับมันมากเนี่ยมันเอาคืนไม่ได้มีใครทําอะไรเรานะแต่กิเลสมันเสื่อมมันถูกกระทำนะกิเลสมันเสื่อมถูกกระทำเนี่ยเพราะนั่นเนี่ยมันจะเอาคืนงั้นต้องระวังในเวลาใครทําอะไรที่เป็นการฝืนหรือทวนกระแส กิเลสเนี่ยนะถ้าหากทําด้วยความกล้ากเกนฝืนทนเนี่ยแม้จะใช้กําลังใจเนี่ยที่เข้มแข็งนะแต่ว่าพอพอพ้นกําหนดพ้นขอบเขตนี่มันเอาคืนนะเอ็นไทยดีเนี่ยทำอะไรเนี่ยอย่าทําด้วยความกล้ากเกนฝืนทนทําด้วยความรู้สึกพึงพอใจทําด้วยฉันทะระหว่างที่งดเล่าระหว่างที่งดการพ น, นันนะก็ให้มองให้หาความสุขอย่างอื่นมาทดแทน นะหรือมองว่านี้เป็นการฝึกตนหาประโยชน์หรือเห็นประโยชน์ของมันมันก็ทำให้เกิดความยินดีในการที่จะทำไม่ใช่เพราะถูกบังคับไม่ว่าคนจะ บ, บังคับหรือว่าตัวเองบังคับตัวเองก็ดีแม้ทั้งเวลาที่เพื่อนหรือเจ้านายเนี่ยเขาเอาเวลาของเรานะ ที่ควรจะพักผ่อนที่ควรจะเพลิดเพลินเพื่อไปทำงานโน่นงานนี้เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันก้ามกนฝุนทนนะมันก็จะต้องอดไม่ได้นะที่จะไปเอาคืนจากเวลาหลับเวลานอนซึ่งก็เป็นโทษต่อตัวเราเองแต่ถ้าเรามองว่าเออในเมื่อเข้ามาขอให้เราทำโน่นทำนี่แล้วเราก็ทำอย่างมีสติไม่ได้รู้สึกไม่ได้บ่นโวยวายตีโพยตีพาย พอคืนบนคืนตีโพยตีพมันก็จะสึกเป็นทุกข์กลายเป็นการกั้มเกินคืนทนสายน้ำก็จะไปเอาคืนนะไม่ได้เอาคืนจากเจ้าน้ำไม่ได้เอาคืนจากใครนะเอาคืนจากตัวเองซึ่งก็ทําให้เกิดโทษแต่ถ้ามองว่าเออเราทําแล้วทำอย่างมีความสุขทำอย่างมีสติยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่บน่นไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพถึงเวลาเนี่ย กิเลสที่มันอยากจะเอาคืนมันก็จะมีกําลังน้อยลงนะและอย่างถ้าเรามีสติด้วยนะหรือเท่าทันกิเลสนะั้นมันจะเอาคืนแล้วนะมันอยากจะไปเที่ยวแบบเรียกว่าไม่ต้องทํางานเลยเที่ยวให้เต็มที่หรืออยากกินให้เต็มที่เนะี่ยกิเลสมันร่ําร้องมันเรียกร้องนะถ้าเรามีสติรู้ทันนะเราก็จะไม่ยอมตามหน้าของมันมากหรือแม้จะทําก็ทําแบบอ่า พอประมาณนะไม่ได้ทําจนหมดเนื้อหมดตัวหรือลืมตัวนะไอการทําความดีเนี่ยมันของดีนะแต่ถ้าว่ามันถ้าเราไม่ระวังเนี่ยมันจะกลายเป็นการเอาคืนได้โดยเฉพาะาถ้าเป็นการทวนกระแสกิเลส น, นะกิเลสนี่มันจะพร้อมจะเอาคืนนะแล้วถ้าเราไม่รู้ทันนี่เราก็พ่าท่าเสียทีและสุดท้ายคนที่เดือดร้อนคือเรา